ใครจะมาทําให้กระเปื้อนด้วยอาการทางจิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโพธิอบรมเนี่ยมันจึงเข้าไปดลใจเข้าไปสิง แต่ท่านอยู่ที่กรรมของคนคนนั้นด้วยแต่ถ้ากรรมของคุณคนนั้นดี บางพวกเป็นอย่างนี้ช่วยไม่ได้กุศลบางพวกก็ช่วยไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยถือว่าเป็น แล้วก็จะถือเป็นหลักฐานยืนยันอันหนึ่งทั้ง 12 แสดงไว้ใน ก็จะไม่ได้มีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาเล่าเรียนสมัยซึ่งเป็นชื่อของเวลาอาจจะเป็นชื่ออย่าง จังหวะน่ะจังหวะที่ดีโอกาสดีท่านกําลังจะบอกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีของอะไรนะถ้าหากว่าคนที่เสียโอกาสเสียจังหวะเนี่ยบาง <The> แต่รัฐปรับก็ไม่ใช่ขณะไม่ใช่การไม่โดยโดยเนื้อ ศักวาดูเธอทั้งหลายได้ดีแล้วมีอยู่ปรากฏภมจารย์แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายนรกชื่อว่าอัปสายะตนิกะ 6 เราได้ อะไรอะไรด้วยจมูกก็ย่อมเห็นแต่รูปอันไม่น่าปรารถนาย่อมไม่เห็นรูปอะไรก็อยู่อะไรอะไรด้วย ถูกป้องกว่าจะบาอะไรอะไรด้วยกายจะรู้แจ้งธรรมารมณ์อะไรอะไรด้วยใจก็ตำแหน่งเดียว 6 ทางเนี่ยก็และกล่าว ดูก่อนวิสุทธิทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายแล้วเธอทั้งหลายได้ดี น่าพอใจที่ไม่เห็นรูปอันไม่น่าพอใจเป็นต้น 2 อย่างตา แต่ในความคิดโลกโลกเนี่ยเวลาที่เรารับอนิสสารลมเราถือว่าเป็นความเสื่อมราบ แต่ไม่เหมือนกระสูตรนี้นี่ท่านบอกเป็นลาผมเดี๋ยว เมื่อเห็นรูปไม่ดีเห็นรูปไม่ดีตรัสสวรรค์ด้วยตาตอนนั้นเมื่อนี่เป็นข้ออ้างอย่างนี้แต่จริงๆนั้นตรงนี้น่ะไม่ได้ทรงปฏิเสธ ตรัสแล้วฆราวาสเข้าใจผิดอย่างจริงอย่างที่เขาว่าแล้วแต่ที่อยู่ในทาง สภาวะธรรมแค่ว่าความเป็นนรกโดยตรมรรคสภาวะเนี่ยมันไม่มีความเป็นสวรรค์โดยปรมันสภาวะมันมีแต่ในพูดในวาหานปรมัตถ์ มันก็คือคนไม่มีคนเป็นสมมุติใช่มั้ยล่ะโลกคน ไอ้สมมตินัตตรง 37 เนี่ยโดยเนื้อแท้มันคืออะไรมันคืออายตนะ 12 58 ยังไม่มีอ่ะขันธ์ มีอนิศาลมเป็นเจ้าเรือนเจ้าของตาในกวัญเห็นรูปารมณ์ อายตนะ 6 บนสวรรค์เป็นอย่างนี้แล้วคนอื่นที่เห็นก็เหมือนกันเค้าก็มีตัวเองในนรกเนี่ยตัวเองก็เห็นแต่อนิจจาลมสมน้ําสมโดยสวยตะหลีและใกล้เคียงกันเนี่ยคือ อาลาถึงเราจะเห็นรูปอารมณ์ดีแต่มันก็ไม่ใช่ดีดิบ ตัวถัวเฉลี่ยสัดส่วนของความเสมอภาคของตาเห็นรูปหูฟัง อันหนึ่งแล้วก็เป็นการท่าๆอยู่นั่นแหละ นะอันนี้ฟังจริงๆท่านอธิบายว่าถามว่าพระผู้ เพราะได้รับแต่ทุกโดยส่วนเดียวได้รับแต่ทุกข์โดยส่วนเดียวไม่อาจอยู่ประพฤติมรรคกับพระอรหันต์ คือว่ากรรมภูมินี่นั่นยายเราว่ากรรมภูมิเลยนะฮะกรรมภูมิแปลว่าภูมิแห่งมาแล้วปานปฏิบัติภาวนา 10 ทํา แต่เช่นชาวาทั้งหมดก็ตั้งแต่ธรรมนันตรีกรรมก็ทําได้ที่นี่แล้วก็ทํามรรคให้ที่สุดก็ได้ที่นี่ที่อื่นก็บอกกล้องไปตามส่วนของภูมิซึ่งถือว่าเป็นกรรมภูมิของมรรคโรอาจารย์ พวกท่านได้แล้วท่านได้แล้วเพราะฉะนั้นขันธ์ซึ่งเป็นของมนุษย์นี่เองท่านได้วรมัตตบวรหานเลยนะที่พวกเธอได้กันแล้ว นี้ก็เป็นกรรมภูมิธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเป็นอันมากใน <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จนเดี๋ยวก็เฮงเดี๋ยวก็ห่วยเดี๋ยวก็สะสางนาเดี๋ยวก็ปลดสารคัดหยามเดี๋ยวก็แข็งแรงเดี๋ยวก็อ่อนแอมันน่าสังเวชมันไม่น่าพี่ลมมันน่าเบื่อหน่ายใครกำหนัด ในในสติปัฏฐานจึงมีคําว่าอภิชฌาโทมนัสอภิชฌาโทมนัสเนี่ยกําหนดลงใช้ไอ้อย 2 อย่างเนี่ยไอ้ข้างนอกก็คืออิฐาโลมนิทารมข้างในที่เป็นผล ปรมัตถโวหารไว้ในส่วนแห่งปกละโวหารหรือบัญญัติโวหารทั้งการใช้วาจาจะมีเป็นปรมัตถโวหาร ละถ้าคนเราที่เราได้สาระจริงๆเนี่ยสาระที่เราเสพในทางอารมณ์เนี่ยเราได้สาระไปลงนรก ยมบาลกําลังเอา 3 ง่ามแทงขัดนรกอยู่พอเงี้ยวมาเห็นเราก็ก็ชักง่ามง่ามลงไม่กล้าแทงเดี๋ยวโดนปลบมันก็คนละแบบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่สภาวะนี่เห็นรูปไม่ดีมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่หนักเบา มีเดรัจฉานจะต้องมีอะไรเป็นเดรัจฉานสวรรค์ก็มีไม่ได้พูดในแง่ของกรรมใน และนั้นสมมุติว่าเราไปได้ทรัพย์สินเงินทองมามากมายแล้วก็เก็บนําไว้อย่างดี ไปยินดีเข้าแค่จิตยินดีก็ไม่เป็นรากของเราแล้ว ก่อนจะเลอะไปถึงประเด็นหนึ่งที่ผมว่าผมย้ำออกอย่าในสูตรนี้จะเน้น จึงมีพระก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะมาบินทบาตนะแล้วโดยกรรมวิบากอันนี้ อันหนึ่งเป็นวิบากแห่งชนกไม่เป็นอุปธรรมปก วจิตะกามรณะหรืออกาลมรณะพวกนี้ไม่มีก็อยู่ไป รูปให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะควรถูกเบียดเบียนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อรูปภพไม่ถูกเบียดเบียนด้วยประการใดๆพวกรูปอรูปมีอย่างถูกเบียดเบียนบ้างถูกมอมสิงห์ อฌานกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเค้ามีกําลังพวก อาการตานัญชัยธนะฌานก็ไม่ได้เป็นอุปถัมภ์นำเกิดก็ไม่ได้อุปถัมภ์ก็ไม่ได้ไม่ต้องทิ้งเลย ต่อไป 2 เป็นครุกะไม่ใช่อาสัณนะอจินนะสกปตะครุกะเนี่ยแปลว่าหนักเป็นกรรมหนักฝ่ายโลกีตัวตรั่งก็คือมรรคจิตทั้ง 4 มรรคกรรมทั้ง 4 เป็นครุกะก็ว่าอกุศลก็มีอัญจานนตกรรมเป็นครุกะกรรมไม่ใช่อาสัณนะกรรมตอน มันเป็นกรรมหน่วยเดียวกันเป็นกรรมชนิดเดียวกันไอ้ของเราเนี่ยนะแว่หน้าแว่ตาเข้ามาตอนนั้น อสันนะจึงไม่ได้หมายเอาเพียงว่ามันเกิดขึ้นเมื่อใกล้เขาจะ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นอกิญนะแล้วก็ตัตตากรรมก็กรรมที่เหลือเรียกว่ากรรมเล็กน้อยอย่างง่ายๆเนี่ยนะแต่จริงๆมีความหมายลึกกว่านี้ถ้าจะอยากฟังให้ชัดเจนก็เห็นจะต้องแนะให้ไปฟังเรื่อง ลำดับการให้ผลซึ่งก็หมายความว่ากรรมใดมี 3 เป็นวิบัติเป็นอุปัจฉเวทนียะเท่านั้นไม่ ผลที่เป็นวิบากนะฮะเวลาคนที่เข้าฌานได้ฌานเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นเป็นวิบากผลนะแล้วมีความสุขนั้นถาม ถอนดรามออกไปเลยเพราะเวลาเราทํากุศลเนี่ยเราทําแล้วก็สบายใจอันนั้นไม่ถือเมื่อ นึกไม่ใช่วิบากจิตเนี่ยนึกถึงได้มหาสุขสจิตไม่ใช่วิบากจิตนึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้จะนึก แต่ร่างกายได้รับความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ําหน้าตาสดใสนั้นจิตตรุขนั้นนิสงส์ทางจิตตรุขไม่ใช่วิบัติเพราะวิบัตินี่ต้องของก้นไก่ของกรรมไม่ใช่ อธิษฐานขอให้ไปเกิดในภูมินี้กรรมก็ส่งผลตามเจตนาอยู่บ้างกันแต่พอส่งผล บางอย่างเนี่ยเราจะต้องได้ดีก็ต้องได้ครับไอ้ไม่เอาไม่ได้บางอย่างก็มี 2 อย่างก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปนี้นะว่าอะไรเอียวยาได้อย่างไรเอียวยาไม่ได้เนี่ยถ้าพูดแต่ว่าเวลา ดูชีวิตเราเนี่ยมาใช้หลักกรรมมาบริหารชีวิตเราด้วยวิธีต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นพระที่ท่านกําหนดรู้ลึกขึ้นอายุ แล้วก็ปัญหาต้องการให้เหลือสั้นๆใส่ลงไปบางคนก็เกียจไม่จะๆชื่อเสียงไม่น่ากันเนี่ยยี่ทิ้งคนนี้มีตําแหน่ง ช่วยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตายแล้วแล้วก็ตายจริงๆมันไม่ได้แย่งนะนั่นรู้เดี๋ยวก็ตายแล้วแต่บางคนช่วยได้นี่ก่อนหนุนชมมันก่อนแล้วก็ช่วยนี่ปี 5 ปี แต่จะค่อยๆดีขึ้นนะบางคนก็ต้องไล่ทําใจบอกให้บางคนต้องรับไปก่อนรับเสร็จแล้วก็ถึงจะแก้ได้ถ้าคุณไม่ยอมรับคุณแก้ไม่ก่อนถึงแก่ดันทําไงทําแล้ว ยังมีเวลาเหลือครับไม่เกินหน้าทาย 5 นาทีนะขอบคุณนิดนึงว่าเมื่อเรารู้จิตในอนุภาคมเนี่ยครับ 12 ดวงเนี่ย เก็บได้แค่โลภะ 8 โดยจิตน่ะมันเท่ากับรูปอรูปแล้วก็เท่ากับโดยจริงไม่เท่ายังมากกว่าปรา ความเป็นโลกเกิดในรูปมีได้อนุรคน์ความโลกที่เกิดในรูปมีได้อารมณ์ที่ราลบนามมันเป็นภายนอกโลกสิ่งที่เป็นภายนอกมั้ยล่ะโลกสิ่งที่เป็นอดีตใช่มั้ยล่ะแต่อนุบกรณ์เราไม่ เรามาแต่ไหนหนอเราจะไปแต่ไหนหนอนี่น่ะไม่เต็มมีได้อย่างนี้เพื่อนๆ คนชายฉลาดคนหนึ่งที่ประสบที่เคยเฉลียวฉลาดประสบความ ต่อเมื่อสภาพของชีวิตมันหย่อนยานไปตามกาลเวลาๆเนี่ย เนี่ยแล้วบอกว่าถ้าไม่มีดีอายุใกล้เป็ดเนี่ยเราก็มานั่งในก็ 90 แบบถ้า 90 แบบอาจารย์สัญญาถ้า 90 แบบลุกไม่ขึ้น ก็อย่าอยู่ดีกว่านะไม่เคยต้องเสียเวลาฟากขอตายมันเกิดๆแล้วอยู่ที่มาที่นี้ได้หน้าอยู่อ่ะท่านอาจารย์ศรีราญเนี่ยน่าอยู่นะก็ เนี่ยเราก็มองด้วยความอิจฉาเราอยากเป็นอย่างนี้ฝ่าไม่รู้นะยังไงเราก็เจอหน้าคู่มีอายุก็ยกยกมือไหว้มากที่ดีทีละเห็นเราก็ไหว้เลยเหมือนอย่างใครนี้ผมก็ก็มีคนเข้ามาถ่าย <c oughs> ทุกคน mind be like, if I've just not been here, I should be looking when Faure here but they do it for me because of his tr Arthur คือคนนั่นหัว Summit我的培 зам入 quite a hundred people are not lifted or they are very bad คนนั่นหลังmaybe I have aер Galaxy Knee,ар Cproblem �tte N� tim I think I learned that I kind of looked at my house at this time. I told you this guy was asked bisschen eric? Probably he was at the สมเนียดใจมากจะหาปลาในเรานี่ก็โดนมากเราก็เจอคนแก่แล้วก็ๆจะ นั่นเนี่ยไปดูปลาอยู่ตรงไหนลูกจะเคาะอยู่ตรงไหนอย่าขายถามว่าขายได้กิโลเท่าไหร่ถึงมาจะหมดเลยถ้าบอกคือรอ 15 หรือ 20 นะ และไม่แน่ใจก็นําเงินมาพร้อมดูจะเน้อโดยทีมว่าซื้อหาไว้ให้คนข้าหาให้คนปล่อยฝ่ายนึงถึงคาลจะต้องตายกันด้วยกันนี่เรื่องเรื่องกรรมที่ใหญ่ๆไม่ได้หรอกมั้งที่เกิดได้ ตนเตือนตัวเองในจิตของตัวเองเช่นเกิดในฐานะเป็นเวลาจะเข้าฌานสมาบัติ อยู่ตัวคนเดียวศีลก็เลยไม่จําเป็นไม่จําเป็นนี่ผมพูดถึงภุชชนแต่ถ้าเป็นตนพระอริยะก็อาจจะพิจารณาในปณีปัสสนามาอุสงณีปัสสนา สำหรับอรูปฌานจิตเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนี้ฮะ 4 ได้หมด 2 ไปเกิดในชั้นที่ 2 อรูปฌานที่ 1 เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้อรูปคม แล้วเวลาตายก็ล่วงชั้นขึ้นไปได้เนี่ยโดนมาของฌานที่ตัวเองทําใหม่เรื่องแต่ลงไม่ได้เอาล่วงก็ลงมาเป็น บริกรรมสมาธิของมันอัจเวกของมันดันออกมาไม่ได้